ตามปกติกระบวนการรับรู้ทางอินทรีย์ทั้งห้าก็ดีการติดต่อเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกและการดําเนินชีวิตประจําวันก็ดีย่อมสิ้นสุดลงอย่างแน่นอนได้เด่นชัดเมื่อบุคคลสิ้นชีวิตดังนั้นเมื่อพระอรหันต์สิ้นชีวิตเมื่อการรับรู้ทางอินทรีย์ห้าระงับสิ้นเชิงแล้วนิพพานท่าที่ท่านประสบย่อมมีแต่เพียงอย่างเดียวคืออนุปาทิเสสนิพาน ในภาษาสามัญหรือถ้อยคาที่ใช้ทั่วไปอนุปาที่เสสนิพานจึงกลายมาเป็นคำเฉพาะสำหรับกล่าวถึงการสิ้นชีวิตของพระอรหันต์อนุปาที่เสสนิพานเปลี่ยนจุดเน้นจากการเป็นคำแสดงภาวะกลายมาเป็นคำแสดงกิริยาอาการหรือบัญญายิเหตุการ์ดังจะเห็นได้ว่าคาว่าอนุปาที่เสสนิพานที่ใช้ณที่อื่นจากนี้ ล้วนเป็นคำกล่าวถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์สิ้นชีวิตเป็นพื้นส่วนคำว่าสอุปาทิเสสนิพานไม่อาจใช้เป็นคำบรรยายเหตุการณ์ได้และไม่จำเป็นต้องใช้เพราะมีคำอื่นใช้มากพออยู่แล้วจึงไม่ถูกกล่าวถึงหน้าที่อื่นใดในพระไตรปิฎกอีกเลยสอุปาทิเศ ส, สนิพานและอนุปาทิเศ ส, สนิพานที่มาคู่กันเพื่อแสดงการแบ่งประเภทของนิพานอย่างนี้ มีที่มาในพระไตรปิฎกเพียงแห่งเดียวตามที่มาซึ่งได้แสดงไว้แล้วนอกนั้นมีแต่สอุปาทิเสสบุคคลและอนุปาทิ่เสสบุคคลหรือไม่ก็อนุปาทิเสสนิพานที่ใช้เดียเด่ยวเพื่อกล่าวถึงการสิ้นชีวิตของพระอรหันต์พึงสังเกตด้วยว่าการที่ได้มีผู้คิดกันในภายหลังเมื่อเร็วๆนี้ให้ใช้นิพานสาหรับพระพุทธเจ้า และพระอาหารหันตสาวกที่ยังมีชีวิตและให้ใช้ปรินิพานสำหรับการสิ้นชีวิตของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายนั้นความคิดหรือบัญญัตินี้จะใช้ได้เฉพาะในภาษาไทยเท่านั้นส่วนในวิชาการทางฝ่ายธรรมไม่อาจใช้ได้เลยเพราะขัดต่อภาษาในคำพีอันหนึ่งตามคําอธิบายในปร ม, าามัตตมัญชุษาแสดงว่า ระหว่างดำรงชีวิตมีกรณีที่พระอระหรันต์เสมือนบรรลุอนุปาที่เสสนิ พ, พานอย่างเวลาสิ้นชีวิตในเมื่อเข้าสัญญาเวทยีตะนิโรธที่เรียกกันง่ายๆว่านิโรธสมาบัติผู้อยู่ในนิโรธสมาบัติมีภาวะภายนอกเกือบไม่ต่างจากคนตายในพระไตรปิฎกมีข้อความหลายแห่งกล่าวถึงเฉพาะอนุปาที่เสสนิ พ, พานธาตอย่างเดียว เช่นพุทธพจน์ในคำพีมหานิเทศแสดงพระธรรมมวินัยว่ามีความอัศจรรย์เหมือนดังมหาสมุทรแปดประการข้อที่หว่าแม่พิกสุจำนวนมากมายจะปรินิพานด้วยอนุ ป, ปาทิเสสนิพานธาตุนิพานธาตุจะปรากฏว่าพร่องหรือเต็มเพราะเหตุนั้นก็หามิได้เปรียบได้กับสายฝนที่หลั่งลงจากฟากฟ้าสู่ท้องมหาสมุทร จะทำให้มหาสมุทรปรากฏเป็นพร่องหรือเต็มไปเพราะเหตุนั้นก็หาไม่ได้ในคำพีมหานิเทศเรียกภาวะเช่นนี้ว่าอณพินิพัติสามคัคคีความพร้อมเพรียงกันไม่แสดงตนในภพหรือแปล ง, ง่ายๆว่าความพร้อมใจกันไม่เกิดบาลีแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติก็กล่าวถึงอนุ ป, ปาทิเสสนิ พ, พานาธาตุหลายแห่งแต่ละแห่งส่อสแสดงว่า หมายถึงการปรินิพานเมื่อสิ้นพระชนชีพทั้งนั้นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสในมหาปรินิพานสูตรว่าพระชจวีวันของพระองค์บุดพองเป็นพิเศษในสองคราวคือในราตรีที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและในราตรีที่ทรงปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตบินทะบาทที่ถวายแด่พระองค์มีอยู่สองคราวที่มีผลมากมีอนิสงส์มาก ยิ่งกว่าบินทบาทครั้งอื่นๆคือบินทบาทที่พระองค์เสวยแล้วตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและที่เสวยแล้วทรงปรินิพานด้วยอนุปาทิเศ ส, สนิพานธาตุในมหาปรินิพานสูตรก็ยังมีตัวอย่างอื่นอีกเช่นสถานที่พระตถาคตปรินิพานด้วยอนุปาทิเศ ส, สนิพานธาตุเป็นสังเวชนียสถานหนึ่งในสแห่ง การที่พระตถาคตปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุเป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งแห่งแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และอีกแห่งหนึ่งในปาสาทิกสูตรที่ขณิกายปาติกวกัคได้ตรัสแสดงเหตุที่พระองค์ได้พระนามตถาคตว่าเพราะพระดำรัตทั้งปวงที่ตรัสในเวลาระหว่างตั้งแต่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจนถึงราตรีที่ทรงปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุ ล้วนคงตัวอย่างนั้นไม่ผันแปรเป็นอย่างอื่น